กล่าวคือจิตมโนมานัตหัทยัยปัญระมนายตนะมนิีสีวิญญาณวิญญาณขันในบรรดาคำเหล่านี้คำที่เราคุ้นเคยและเห็นอยู่เสมอก็คือจิตวิญญาณมโนมานัตส่วนคำที่เหลือจากนี้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 เหมือนกับน้าไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนตัวน้าแท้ๆย่อมเหมือนกันคือสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีใดๆและคำว่าวิญญาณขันในที่นี้ก็หมายถึงจิตหรือวิญญาณทั่วไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล่าวถึงวิญญาณในส่วนไหนเช่นวิญญาณที่กำลังจุตหรือปฏิสนธิหรือวิญญาณที่กาลังสร้างนารูป ในขณะที่กำลังอยู่ในท้องแม่ก็เรียกว่าวิญญาณขันได้เหมือนกันการทำความเข้าใจในความหมายของคำเหล่านี้ให้ถูกต้องตามที่ใช้อยู่ในคำพีของพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งคำบาลีทั้งหมดที่กล่าวมานี้แปลเป็นภาษาไทยได้คำเดียวคือคำว่าใจและจงสังเกตคำว่ า, าไทย